ต่อนนี้ไปพึงพากันตั้งใจให้ดีเวลานี้เรามาประกอบความเพียรกันบุคคลผู้ที่ตื่นตัวกลัวต่อความทุกข์นั่นแหละผู้นั้นถึงจะมีความขยัน มันเพียนถ้ายังมองไม่เห็นทุกข์ในวัตาสงสารอันนี้อยู่ตราบใดบุคคลผู้นั้นจะไม่ผ่าเพียนพยายามจะเป็นผู้นิ่งนอนใจเพราะว่าความทุกข์นี่มันเกิดมาจากเหตุ ถ้ามันไม่มีเหตุทุกข์ก็ไม่มีเหตุด้นพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าตัณหาและเป็นเหตุให้เกิดทุกข์วันนี้ตัณหานั้นใครเป็นผู้สร้างขึ้นมาปัญหามอยู่ตรงนี้ กตัญหานั่นก็จิตแลเป็นผู้สร้างขึ้นมามันจึงมีได้ถ้าจิตไม่สร้างมันขึ้นมาแล้วมันไม่มีตัญหาเนี่ยผู้ใดไม่ฝึกจิตใจของตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลผู้นั้นก็ถูกตัญหามันครอบงำเอา เพราะว่าตัณหาเนี่มันติดสอยห้อยตามดวงกิตดงนี้มาในสงสารขนาดนานับไม่้วนแล้วทีนี้มาปัจจุบันนี้เมื่อผูใ้ใดฝักใฝ่ในการบุญกุศลเข้าไปมีจิตเลื่อมใสศรัท ธ, ธาเชื่อมั่นในบุญกุศลว่าจะพาตนให้พ้นทุกข์ไปได้ เช่นนี้แล้วขอนขวายในบุญในกุศลไม่ท้อไม่ถอยตันหามันก็ไม่ได้ช่องมันไม่ได้ช่องที่จะมาครอบงำจิตใจทำให้ใจมันเสื่อมจากบุญจากคุณอันประเสริฐนั้นดังนั้นสิ่งที่จะ มาละ ง, งับตันหานี่มันจึงอยู่ที่บุญกุศลบุคคลใดเกียคลานบำเพ็ญบุญกุศลผู้นั้นก็ตกเป็นทาสของตันหาอยู่เรื่อยไปเป็นนักบวชก็เหมือนกันถ้าเกียคลานทำความเพียน ทั้งกลางวันกลางคืนแล้วตัณหามันก็ยัมีอิทธิพลเหนือจิตใจของนักบวชผู้นั้นตัณหามันเผารนจิตใจเอาเดือดร้อนก็อยู่ไม่ได้สึกออกไปกลายเป็นทาสของตัณหา เป็นคนเจ้าชู้มายาเป็นผู้มากมากในกรรมคุณจนทำคนให้เสียคนไปก็มีบุคคลผู้ปล่อยให้ตันหามันครอบงำจิตใจถ้าเป็นครือหัดผู้ครองเรือนเกับ เป็นเหตุให้ได้ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมเรียกว่าไปทําชู้กับเมียของคนอื่นถ้าเป็นผู้ชายก็ดีถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปทําชู้กับสามีของคนอื่นนี่ที่ท่านกล่าวว่าประพฤติผิดในกามนั่นไง เดี๋ยวไปแย่งชิงเอาของรักของชอบใจของผู้อื่นอันนี้มันก็เป็นบาปเป็นโทษแหละแล้วตัณหามันก็ไม่ใช่มีแต่เท่านั้นท่านกล่าวว่าตัณหามีทั้งร้อยแปดตัณหาเกิดจากทางตา ตัณหาเกิดจากทางหูตัณหาเกิดจากทางจมูกตัณหาเกิดจากทางลิ้นตัณหาเกิดจากทางกายตัณหาเกิดจากทางใจตัณหาเนี่ยมันมีทางเกิดได้หกทางอย่างนี้แหละ แล้วตัณหาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสในธรรมารมตา์ต่างๆหมเนียตัณหานี่จัดเป็นอดีตร่วงมาแล้วก็มีจัดเป็นอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงก็มีตัณหาเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็มีเช่นบางคนระลึกถึงเรื่อง ผลหลังที่ล่วงมาแล้วเป็นอารมณ์เข้าไปก็เกิดราคะตัณหาขึ้นมาเกิดความทะเยอทะยานอยากขึ้นมาบุคคลมาปารับถึงเรื่องอนาคตบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาแล้วก็ก่อให้เกิดความอยากความทะเยอทะยานว่าอนาคตต่อไปเราจะต้องทําอย่างนั้นเราจะต้อง มีอย่างนั้นเราจะต้องได้ลาบได้ยศอย่างนั้นเอาวิตกไปในความอยากมันก็ปะทุขึ้นในใจอย่างแรงชาว่ า, าปารพถึงปัจจุบันนี่ปัจจุบันนี่ตนยังไม่มีอะไรตนมีอะไรแล้ว เมื่อยังไม่มีอะไรก็อยากมีอยากได้ขึ้นมาอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้สารพัดแต่มันจะอยากไปเนี่ยความอยากท่านจึงเรียกว่ามันมีตั้งร้อยแปดอย่างพันประการพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่า นัตถิตันหาสมานทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มี <c oughs> บรรดาแม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายย่อมไหลหลังทั้งเทลงไปสู่มหาสมุทรทะเลมหาสมุทรทะเลไม่เคยล้นฝั่งเลยนี่ฉันใด ตันหาความอยากของมนุษย์เรานี่ก็พ้องอยู่เป็นนิดเหมือนอย่างน้ำทะเลนั่นเองความอยากของมนุษย์เราไม่มีเวลาอิ่มอิ่มไม่เป็นผู้จะอิ่มได้ก็ต่อเมื่อมาสั่งสมบุญกุศลให้เกิดขึ้นในตน มาพยายามภาวนาสำมรวมอินทรีย์หกนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ภายในคือว่ามีสติสัมปชัญญะเพ่งเข้ามาภายในทวนกระแสจิตเข้ามาภายในให้มารู้อยู่ในปัจจุบันนี้ มีสติห้ามจิตไม่ให้คิดพุ่งไปในอารมณ์ต่างๆที่น่ารักใครพอใจนี่แหละจะเป็นเหตุให้ตัณหามันไม่ลุกลามขึ้นในใจได้ก็กอาศัยการทวนกระแสจิตเข้ามาตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ทสรงสายกระแสจิตให้ไหลไปภายนอก มากเกินประมาณถ้าว่ามันจะอยากได้อะไรก็ให้มันอยากพอประมาณอยากพอสมกับกําลังความสามารถของตนที่จะหาได้ไม่ให้มันอยากเกินกําลังวาสนาบารมีสติปัญญาของตนเช่นนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์หลาย ไอ้ที่ตัณหาที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นี่หมายถึงความเพลิดเพลินยิ่งัน่าความเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเ ค, เครื่องสัมผัสในธรรมารมต่างๆหมดเนี่ยเพลินจนเกินขอบเขตจนลืมตัวไป ลืมทำบุญกุศลลืมทำความดีต่างๆจนลืมบาปลืมบุญตัญหามันจูงใจให้ไปทำบาปก็ไปกับมันระลึกไม่ได้เลยว่าบาปนั่นมันจะตามสนองให้ตนเป็นทุกข์ทางในปัจจุบันและเบื้องหน้านึกไม่ได้เลย ตัญหามันฉุดคล่าเอาแล้วนี่หมายมายเอาตัญหาประเภทเหล่านี้แหละที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้คนเราไปเสวยทุกข์อยู่ในนรกอบายภูมิให้เพึ่งพากันเข้าใจถ้าว่าพูดโดยตรงแล้ว ก็หมายเอาตัณหาอยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์อยากประพฤติผิดในกามอยากกล่าวมุสาวาทอยากดื่มสุราเมรยัยกัญชายาฟินเฮโรอินบุรีมูเรียตัณหาความอยากกระทำในสิ่งที่ มันเป็นบาปเป็นโทษเหล่านี้นะนี่เราเรียกว่าตัณหาหน่จะพาไปตกดรกไปเป็นเพลตเป็นอสุรกายไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิริฉานก็เพราะตัณหาประเภทนี้เองเ่ะให้เข้าใจถ้าบุคคลใดมาละตัณหาประเภทนี้ได้แล้ว ตัณหานอกนั้นมันก็ไม่ถึงกับให้ไปตกนรกอบายภูมิเพียงแต่มันพาให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเองอก็ยังดีนี่ผู้ที่ละตัณหาอันเป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษอย่างนั้นได้แล้วมันก็เป็นคนใจบุญแหละถ้าเป็นคน ใจบาปแล้วมันละไม่ได้เลยตัณหาประเภทนั้นเป็นคนประกอบไปด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจเสมอเสมอม า, มาเมตตาตนนึกถึงตนก่อนอื่นแล้วทั้งหมดแหละทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากทุกนี้ไปได้ทุกอะไรแล้วก็ทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายนี่แหละ ทุกอย่างหนึ่งก็ทุกใจอ่ะทุกเกิดความเศร้าโศกความเสียใจพิไลําพันธความทุกขโทมนัดครับแขนใจเพราะมันปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังแล้วกรมัวแต่มาทุกขมาโศกอย่างเงี้ยนี่ท่านเลยว่าทุกใจทุกกายนั่นได้แก่ทุกเกิดจากความแก่ชะลาภาพของร่างกายอันนี้ ทุกเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายอันนี้ให้ทุรนทุรายไม่เป็นปกติอยู่ได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนว่าเป็นทุกข์มากทีเดียวเจ็บแต่ละทีเนี่ยมันกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงถึงกับร้อง ให้ควรคลางต่างๆ น, น, นานาดินนกระซับกระใสนั่นแหละความทุกข์เกิดจากความเจ็บป่วยโรคภัยเบียดเบียน ร, ร่างกายอันนี้นะแต่บุคคลผู้ไม่มีวิจารณญาณทุกข์ก็ปล่อยให้ตนทุกข์ไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ดำริเลยว่า ทำอย่างไรหนาเราจึงอย่าพ้นจากทุกเหล่านี้ได้ไม่ไม่ได้คิดหรอกคนผู้หลงผู้เม า, เามันทุกข์ก็สเสวยทุกข์ไปทนทรมานไปอย่างนั้นแหละอา้าบางทีรักษาโดยหยุกยาไปผัดหายมาพอโรคภัยหายมาแล้วมีกําลังดีแล้วนาะลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างลืมความทุกข์ในการเจ็บการป่วยนั่นน่ะ ไม่ไดเอามานึกมาพิจารณาให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นมันจึงพ้นจากทุกในโลกนี้ไปไม่ได้คนเรานะเนื่องจากว่าไม่เบื่อไม่เบื่อต่อความทุกข์ความตายมันก็ยิ่งเป็นภัยอันร้ายแรงต่อชีวิตนี้ เพราะว่าความตายนี่มันมาตัดรอนให้พัดพาจากทุกสิ่งทุกอย่างอา่าวมีร่างกายมาแล้วจิตใจนี่มันก็หวงก็ร่างกายของตนอยู่ทีนี้เมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วมันก็จำใจจำจากจำภาคกันไปบางคนก็เสียดายอะไรไม่อยาก ภาคจากร่างกายอันนี้ไปแต่ก็จำใจต้องพัดภาคจากไปเพราะหมดบุญหมดวาดสนาที่ได้ทํามาแต่ก่อนแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้ชีวิตนี้น่ะชีวิตนี้มันอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลที่แต่ละบุคคลทําออกมาแต่ชาติก่อนมันมาอุปถัมภ์บำรุงไว้ ทันพอหมดบุญหมดกรรมมานั้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้นะต้องแตกดับทำลายลงไปเหมือนตะเกียงโคมไฟที่อาศัยไส้อาศัยน้ำมันจุดไฟเข้าไปก็ลุกโพลงไปไฟก็ไหม้น้ำมันน้ำมันก็แห้งไปเรื่อยไปเรื่อยไปน้ำมันก็น้อยลงน้อยลงพอ น้ำมันมันก็จวนจะหมดแสงไฟมันก็หลีลงไปโดยลำดับอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุญกุศลมันน้อยลงน้อยลงเข้าไปเท่าใดแล้วร่างกายนี้มันก็หมดเลี้ยวหมดแรงไปอ่ อ, อนเพลียไปลูกภัยก็เบียดเบียนไป มีแต่สุดโทมไปโดยลำดับไปอย่างนั้นแหละเมื่อถึงเวลาจวนจะตายอย่างจริงเข้าแล้วว่นนี้ก็ธาตุั้งสี่นี่ก็ดับลงดับลงธาตุไฟก็ดับลงไปไออุ่นในกายนี่ก็ไม่ค่อยมีคําดูเยน็นตั้งแต่พื้นเท่าขึ้นมาเยน็นตั้งแต่ศีรษะลงไป ไปรวมกันอยู่หน้าอกนั่นพอลมหายใจหมดลงไออุ่นที่อยู่ปรากฏอยู่หน้าอกนั่นก็หายไปจิตก็อาศัยอยู่ในร่างนี้ไม่ได้เลยบ้านี้ต้องถอนตัวออกจากร่างนี้ไปนี่แหละลักษณะแห่งความตาย มันค่อยตายทีละน้อยละน้อยไปแต่อยู่ในปัจจุบันนี้มันก็ค่อยตายทีละน้อยละน้อยไปเหมือนกันร่างกายอันนี้แต่คนไม่รู้สึกตัวหรอกไม่รู้สึกตัวว่าตนกำลังตายไปอยู่เรื่อยๆไปอยู่น่นจนว่าจวนมันจะหมดลมหายใจนั่นจึงจะว่าตนตาย มันเป็นอย่างนั้นความหลงความเมาของคนเราเนี่ยสำหรับผู้ไม่เมาแล้วจะ ต, ต้องภาวนาเพ่งพิจารณาร่างกายนี่เสมอเสมอพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของมันลักษณะแองความไม่เที่ยงของร่างกายนี่มันเป็นอย่างไรก็มัน มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆไปนี่ลักษณะแห่งความไม่เที่ยงน่ะก็ผู้ใดช่างสังเกตดูแล้วมันก็ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี่เรื่อยไปแหละอาหารที่รับประทานเข้าไปเอาไฟธาตุย่อยส่วนละเอียดเอาไปเรียง เส้นต่างๆของร่างกายอันนี้นะให้สดชื่นอยู่ได้เกิดเมื่ออาหารอันละเอียดนั่นแหละมันไปหล่อเลี้ยงร่างกายทุกส่วนนี้แล้วมันก็หมดอายุของมันลงกลายออกมาเป็นเหงือเป็นไข่เป็นอุจจาระเป็นปัสสาวะไปถ่ายเทออกไป นี่ความไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่เงี้ยล้ววันนี้ถ้าไม่มีอาหารอื่นเข้าไปหล่อเลี้ยงไว้เกิดหิวขึ้นมาแล้วกระวนกระวายแล้วไฟธาตุมันไม่มีอาหารจะเผาจะย่อยมันก็เผากระเพาะลำไส้ให้ร้อนเผา ชวนในคนเราสเสวงหาอาหารกันเลยวะนี้่รับประทานเข้าไปอเมื่อไปถึงกระเพาะเข้าไปแล้วธาตุไฟมันก็ย่อยอ น, นี่ก็ทําให้ความหิวโหวยอันนั้นความร้อนกระเพาะลําไส้อันนั้นมันระ ง, งับลงไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อมันย่อยอาหารนะไปหมดแล้วมันไม่มีอาหารอื่นจะให้ย่อยมันก็ เขากระเพาะลำไส้ให้ร้อนอีกอยู่อย่างนี้แหละขอไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้นะต้องแล้วอ า, อาหารจากภายนอกนู่นมาหล่อเลี้ยงไว้จึงพอประทังประทังอยู่ได้เนี่ยถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วร่างกายนี้ก็สูบผอมลงไปในที่สุดก็แตกทําลายลงเท่านั้นเอง ในขณะที่ร่างกายมันเปลี่ยนแปลงอยู่นั่นแหละมันก็กระทบกระทั่งกับจิตจิตก็รู้สึกไม่สบายอยู่เรื่อยมา อ, อย่างนี้แหละหิวข้าวก็กระทบกับจิตกระหายน้ำก็กระทบกับจิตนั้นปวดอุจจาระปัสสาวะก็เป็นทุกข์กับจิตนั่นแหละเป็นทุกข์ อย่างนี้นะเดี่ยนี่เรียกว่าโรคประจำวันทุกประจำวัน mm hmm. หิวนอนไม่ได้นอนอ้าวจิตใจก็อ่อนเปี้ยเพียแรงลงอย่างนี้แหละทำการงานหนักเกินไปอ้าวก็เป็นทุกข์กระใจนั่นแหละเป็นทุกข์ไปกระทกกับใจดวงนี้แหละ mm hmm. เป็นอย่างนั้นความทุกข์ เมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากอย่างนี้แหละอะก็สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาเพราะมันบังคับไม่ได้มันไม่เป็นไปตามใจหวังถ้ามันบังคับได้แล้วมันใครลนะ่ะจะให้มันแปรปวนแตกดับไปได้ร่างกายอันนี้ใครก็ไม่ต้องการอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะ มันก็ไม่เป็นแล้วถ้าบังคับได้อะแต่นี่มันบังคับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุเทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราได้พิจารณาให้มันเห็นเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเนี่ยก็ให้มันเห็นแจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้มันจะได้คลายความยินดียินร้าย ในรูปในนามนี้ลงถ้าผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนอยู่นั่นก็ยังละอุปท า, านนี้ไม่ได้ดอกแต่มันก็เป็นเหตุให้ละความยึดความถือนี่เบาบางไปเรื่อยเรื่อยเริ่มตั้งแต่เว้นจากบาปจากโทษต่างๆนู่นแหละมานะถ้าผู้ใดไม่ ยังเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนอยู่มันจะละบาปบางอย่างก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับการอาชีพต้องหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายอันนี้กลัวร่างกายอันนี้มันจะแตกจะดับจะทุดโทรมไปง่ายๆพยายามหาอาหารมาเลี้ยงมันมันจะ เป็นบาปเป็นโทษยังไงก็ช่างเพราะว่าห่วงร่างกายอันนี้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปลักไปช่อไปโกงเอาของผื่นเอาเป็นของตนโมนีมน่นี่แหละคนเราได้ทําบาปเพราะถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาถ้าเห็นแจ้งว่าไม่ใช่ของเราแล้วอย่างนี้เราก็เลือกหาเลยหาอาหารมาหล่อเลี้ยงมันอะ การหาอย่างไรมันไม่เป็นบาปเป็นโทษมันก็หาไปได้มาเท่าไหร่ก็เลี้ยงมันไปเท่านั้นเลยถ้าไม่ได้ทำบาปแล้วหาอาหารมาเลี้ยงมันมันจะแตกแกดับไปไว้กว็าตามเรี้องมันมันจะแตกก็แตกไปพอถึงจะทำบาปมาเลี้ยงมันเท่าไหร่ เมื่อถึงเวลามันหมดบุญเก่านั้นแล้วมันก็ตายมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ร่างกายอันนี้นะต้องต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนั้นมันถึงละบาปได้คนเรานะ่ะต้องลงเห็นอนัตตาเลยเห็นว่าร่างกายอันนี้ไม่ใช่ตัวตนแล้วจะไปใช้ร่างกายว า, าจานี้ไปทำบาปผู้เสวยทุกข์ก็เป็นจิตต้นตังหะ ร่างกายมันเจ๊ดเลยสวยทุกอะไรแล้วมันแตกดับลงไปมันก็ไปเป็นดินเป็นน้ําอยู่เรื่องของเก่าเนี่ยส่วนบาปกรรมนั่นมันนำํำดวงจิตนี่สิไปเกิดในนรกอบายภูมิให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนู่นนูนเออผู้จิตที่ฉลาดจิตที่มีปัญญามันเห็นแจ้งในตรัยลักษณะญาณอย่างนี้แล้ว มันก็เว้นจากบาปจากโทษต่างๆเหล่านั้นได้รีบเร่งบำเพ็ญบุญกุศลเข้าไปไม่รู้รู้ว่าอินทร์บารมีของตนยังอ่อนอยู่พยายามสั่งสมบุญกุศลเข้าไปให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับมันต้องเป็นอย่างนี้แหละผู้ภาวนาผู้ฝึกผนอารมณ์จิตใจตามคำสอนของพระพุท ธ, ธเจ้านะก็ ย่อมได้ปัญญาอย่างน้อยก็าสามารถละบาปอากุศลออกจากรุงกิจนี้ได้ปิดประตูอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตน้นตายแล้วไม่ได้ไปสู่อบายภูมิมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปท่านผู้บำเพ็ญอินทรีย์ให้แก่กล้าเต็มรอบแล้ว ท่านก็สามารถละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานถ้ายังไม่เต็มที่ก็โดยเอกเทศบางท่านก็ละได้โดยสิ้นเชิงอย่างนี้แหละการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นับว่าเป็นอุบายละตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นไปได้โดยลำดับ ดังแสดงมา